Thank you. ก็มีญาติโยมหลายคนมามาหาบ้างก็มาเพื่อถวายเาทียนสังฆทานแต่บ้างก็มีความทุกข์ใจจะมาขอคำแนะนำก็มียมคนหนึ่งสีหน้าก็อมทุกข์แล้วก็มาปรึกษาว่า ตอนนี้มีหนี้สินเยอะก้อนใหญ่ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเอาที่เนี่ยไปขายเพื่อมาใช้หนี้แต่ว่าประกาศขายไปนานแล้วก็ยังไม่มีคนซื้อก็มีความทุกข์ใจว่าจะใช้หนี้ได้อย่างไรตัวคนถามก็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 รวมทั้งคนที่มีเงินมากมายไม่เป็นนี่เป็นสินแต่ว่าร่างกายเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายถามเขาว่าเนี่ยถึงแม้ไม่เป็นหนี้นะแต่ว่าลูกเกิดติดยาขึ้นมานะหรือพ่อแม่เป็นอันมพฤกษ์อัมาพาตเนี่ยนะลองคิดในงแง่นี้ดูบ้างแล้ว ก, ก็จะเห็นเองว่าเออเ้ายังโชคดีน ะ, ะที่ เขาไม่มีปัญหานี้ก็มีแต่เรื่องหนี้สินซึ่งที่จริงก็เป็นเรื่องนอกตัวพอพูดชี้ให้เขเห็นมุมนี้นะเขาก็ยิ้มได้แล้วก็รู้สึกมีความหวังแล้วก็บอกเขาต่อไปว่าเนี่ยจะไป่าไปคิดแต่เรื่องนี้นะหนี้เนี่ยมันมีไว้ชำระนะไม่ใช่มีไว้แบกนะเกี่ยวข้องกับ น, นี้ให้ถูกนะมีหนี้ก็ชำระไปรับผิดชอบแต่ไม่ได้มีไว้แบกนะ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 ความพิการได้ไม่ทันลยภรรยาก็ทิ้งไปลองนึกภาพนะคนบางคนเนี่ยเจอแบบนี้เขาจะรู้สึกแล้เขาซ้ำกรรมซัดทำไมเขาลายแบบนี้ก็มีคนไปถามด้วยความเห็นใจถามผู้ชายคนนี้ว่ารู้สึกอย่างไรที่ภรรยาทิ้งไปแล้วตอบว่าไม่รู้สึกอะไรนะ พ่อแม่กับทั้งขาของผมเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้ภรรยาเนี่ยมันอยู่กับผมได้ยังไงนะแกตอบนี่นะถ้าแกฉลาดคิดนะแทนที่จะคิดว่าออวโชคร้ายข้อซ้ำกรรมซัดแกกลับได้แง่คิดนะจากเหตุการณ์แทนที่จะทุกข์เพราะเสียขาก็กลับเห็นความจริงนะว่า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 เราก็เห็นสัจธรรมนะจากการที่สูญเสียขาทั้งสองข้างไปอันนี้เรียกว่าเขามองนะมองอย่างสอดคล่องความเป็นจริงนะซึ่งก็คือมองอย่างถูกธรรมนั่นแหละนะเพราะธรร ม, มะก็คือความจริงถ้าเราไม่มีธรรมหรือไม่อาศัยธรร ม, มะเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรามองผิดมองพลาดมองขว้ยมองเขวเสร็จแล้วเราก็จะทุกข์เอง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 อันนี้เราต้องรู้จักใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์นะธรรมะกินก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแล้วเราจะเห็นความสําคัญนะก็ต่เมื่เราทุกข์นะในยามที่เราสุขเราจะไม่ค่อยเห็นความสาคัญทั้าที่ในยามสุขเนี่ยธรรมะก็สําคัญนะเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยมันก็อาจจะเหลิงในสุขนะจนเสียผู้เสียคนนะมีเยอะแล้วนะ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 ไอ้เงินที่มีก็หมดเงินรางวัลนั้นนะคราวนี้ก็ต้องเอาของเก่ามามีที่ก็ขายนะงานการก็ไม่ทำนะกลายเป็นชีวิตกต่ำไปเลยหรือบางคนก็ดีใจนะเมามายกินเหล้าเมาไมา่ขับรถเกิดอุบัติเหตุนะรถแหกโค้งตกคูตายเนะี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะ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 แล้วไม่ได้คิดล่วงหน้าไปในทางดีคิดล่วงหน้าไปในทางร้ายพอคิดไปในทางร้ายนี่มันทุกข์เลยนะก็เหมือนกับแบบทดสอบที่ได้พูดถึงนะที่ในอเมริกานี่คนเราพอคิดไปในทางร้ายนีนะ่แม้จะเป็นแค่จินตอนอาการมันก็ทำให้รู้สึกแย่และพอพอคิดต่อไปว่าเนี่ยนะบางทีเราคิดว่าเนี่ยฉันจะต้องดูแลแม่ไปอีกนานเท่าไหร่เนานะมันก็ทาให้ห่อเหี่ยวนะ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 คนดูแลเองก็อาจาจะมียนเป็นไปหรือแม่ก็อาจจะจากไปก็ได้นะพุ่งนี้เนี่ยมันคือความไม่แน่นอนภาษิต ท, ที่เบบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกนะระหว่างพุ่งนี้กับชาตหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปเชื่อมีพุ่งนี้แล้วค่อยมีชาตหน้านะบางคนเนี่ยนะจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยนะแลวเยอะด้วยนะคนที่วันนี้คือวันสุดท้ายของเขาเนี่ย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 นะไม่ใช่ทําทําแต่ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพนี่เป็นอย่างนี้กันเยอะดูแลแม่ยีิบสี่ชั่วโมงแต่ไม่มีคุณภาพเลยนะเพราะว่าเครียดนะแต่ถ้ามีเวลาให้กับท่านนะสักสิบชั่วโมงแต่มีคุณภาพเนี่ยทําด้วยน้ำใสใจจริงนะแช่มชื่นเบิกบานนะให้กําลังใจแม่นะเวลาท่านท้อก็พูดให้กําลังใจนะอันนี้ก็ทําให้คนไข้เขาสบายใจ